การทำก็คือฟังเรื่องของเรานี่แหละแยวกายมาเป็นทุกข์แยวกายมาทำความชั่วแยวใจมาทำความชั่วทุกคนดูแลตัวเองให้ดีๆโลกจะจดสดใสเพราะทุกคนใส่ใจดูแลตัวเองโลกจะเจ้าเมยเพราะเราไม่แก้ไขตัวเองมันอยู่ที่เราเราก็มีการกระทําการทําของเราเนี่ยทําทางกายทําทางใจ ถ้าทำดีโลกสดใสถ้าทําชั่วโลกก็จำแย่อยู่กันลําบากแม้แต่ครอบครัวอยู่กันลําบากตัวเองก็ลําบากเพราะตัวเองทําให้ตัวเองลำบากเพราะไม่แก้ไขตัวเองแก้ไขเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดให้เป็นความถูกถ้าทุกคนแก้ตัวเองปัก็ไม่เกิดขึ้น ตปนไปเพื่อความสงบความเยน็นเป็นไปเพื่อมรักผลในป่านได้พระพุทธเจ้ายังสอนว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ก็าดาส จ, จันชื่อเหล่านี้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกตการผู้ปฏิบัติต้องทาด้วยตนเองให้คนอื่นผิดแล้วก็ทําตัวเราไว้ผิดไปตามเขาเอาความผิดเป็นครู ก็เอื่ถูกก็อเอากองถูกของเขามาเป็นบทเรียนของเราเก็บตก เ, เยอะแยะมีบทเรียนมากมายจากการใช้ชีวิตประจําวันจากสิ่งแวดล้อมบ้างจากภายในชีวิตของเราตามกฎเป็นเริงบ้างถ้ามีธรรมชาติชีวิตเรามีอาการบางทีเราเอาธรรมชาติผิดเพี้ยนไปอ า, อาการผิดเพี้ยนไป เอาธรรมชาติมาเป็นสุขเอาธรรมชาติมาเป็นทุกข์ต่ออาการที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมาเป็นสุขมาเป็นทุกข์บางท่านที่เขาเป็นธรรมชาติเป็นอาการธรรมดาของเขาเป็กกรนรูปก้อนนี้ก็ต้องไหลไปอยู่เสมอให้เที่ยงตนไดย้ยอดยาวความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์ยาวความตระานักปวดหลังปวดเอวมาเป็นทุกข์ มนเป็นธรรมชาติเป็นอาการของเขาอาการต่างๆธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในกายจะมาเป็นฉุกจะมาเป็นทุกมาเป็นบทเรียนกําหนดรู้โดยการรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจก็จะมาเป็นฉุกจะมาเป็นทุกเพื่นเพือมคือตกกังวลเศรมองคมหมุกมุ่นคุนคิดโคมขัดแย้งเครื่องใจอะไรต่างๆเป็นอาการที่เกิดเครื่อบใจ ่ น, น้ํามีลมพัดมก็มีคลื่นถ้าไม่มีลมน้ําก็ไม่มีคลื่นอารมณ์ที่เกิดกับใจเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้มาหลายทางทางตางทางหูทางจมูกทางลล่นทางกายทางใจทางรูปรสสินเสียงสัมผัสอารมณ์ต่างๆมีเหตุมีปัจจัยนั่งก็ะโลโยนก้นปวดใจน้อ ย, อยลงไปในน้าก็เพิ่มเล็กน้อย ถาโยนก้นอนใหลงไปก็กระเพื่อมมากเป็นธรรมดาต้านกระเพื่อมของน้ําไม่ทําให้น้ําเป็นอื่นก็เป็นน้าเหมือนเก่าเราจะไปมองการกระเพื่อมไม่ชน้ํามองว่าเป็นคลื่นที่จริงแล้วก็เป็นน้ําเหมือนเดิมแต่มีเหตุปัจจัยที่มันเกิด ข, ขึ้นขึ้นมาเดี๋ยวมึงก็ปรับให้ดีเป็นปกติเหมือนเดิม ใจที่มันผูมันแฟงมันปรุงมันแต่งเพราะมีเหตุประจยัยอย่าไปเอาปุงเอาแต่งว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไปเอาอาการเช่นว่าเป็นตัวเป็นตนเข้าก็<ม>ถูกอาการเช่นนั้นหลอกตัวเราเราก็หลงอยู่ตรงนั้นมากครั้งมากคราวแทนที่จะเห็นว่าเออ มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องอาการของเขาตามความเป็นจริงเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองก็ได้บเนเรียนได้ปัญญาเอากายมาเป็นปัญญาเอาใจมาเป็นปัญญาหลายหลายอย่างหลายทองทางนี่แต่มันมาโชว์ให้เราดูให้เราเห็นแม้ความโกรธก็โชว์ให้เราดูความทุกข์ก็โชว์ให้เราดูแต่ความโกรธมันก็ไม่เป็นเรื่องจริง อะไรต่างๆไม่จริงมันโชว์ให้เราไปเข้าใจผิดสําคัญมั่นหมายก็เลยประยุติเอาสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้สุบเป็นผู้ทุกษาก็เลยเสียเวลาตัวนั่นด้วยเป็นที่จะได้ผลเรียนก็ได้เรียนการลงโทษตัวเรากระทบกระเทันไปหมดต้องดูดีๆถ้าไม่แก้ไขตัวเองมันก็ย่เแย่ถ้าไม่ดูแล ต, ตัวเองโลกก็ พิบัติจมหายไปถ้าดูแลตัวเองโลกก็ฉดใสเป็นสี่งวดล้อมมาเจอกันละกันที่เราต้องช่วยเหลือกันมาให้เบียดเบียนกันมันก็ช่วยเหลือกันได้จริงๆมีวัตุอุปกรณ์ช่วยเหลือกันได้มีวัตถุอุปกรณ์ทําให้การเดือดร้อนก็ได้เราจึงมาดูแลตัวเองให้ดีๆถ้าเป็นความสุขเป็นความทุกข์มันก็ไม่ใช่จริงจังอะไร ถ้าสุเหมังคนเป็นโลกขี้กากเกาขี้กากเพราะนั่นว่าเป็นสุขซะได้เกาได้เกาขี้กากก็ว่าเป็นสุขถ้ามาได้เกาก็ไม่ได้ตามันขันขึ้นมาแต่การเกานั้นไม่ใช่ความสุขเจอคนเราเมืรักษาขี้กากได้แล้วไม่ต้องเกาอันนั้นก็ไม่เรียกว่าสุขเพราะมันหายไปแล้วไม่เรียกว่าสุข หาความสุขปัอาการต่างๆหคาคนทุกปัญหาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับความยใจมันไม่ได้เราเปลนว่าจะเกิดตรงนี้ทุกเรื่องเก่าโกรธเรื่องเก่าอะไรต่างๆมันเปลี่นว่าจะเกิดเรียกวัฏจัสงสารเราจงมาดูแลให้ดีๆถ้าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าความสุขอยู่ที่กายที่ใจ เขาเรียกว่าใจดีเขาเรียกว่าใจดีเทวะใจลายเขาเรียกว่าใจลา้ า, ลามันลาจริงๆนั้นมาก็ดีจริงๆถ้าเป็นความสุขของชีวิตของเราเนี่ยก็พระเจ้าตัดไว้ว่าถ้าเป็นขลภาวะเจ้าจอมผู้กองเรือนสุขเพราะการไม่เป็นนี้อยสุขเพราะการนะสุขเพราะการไม่เป็นนี้สุขเพราะการจ่ายทรัพย์มีทรัพย์ใช่จ่ายไม่ขาดเตียงเดือดร้อน สุขเพรา ก, การงานชอบทำการงานชอบไม่ใช่ขี้เกียจที่คา้านชอบดูงานดูการที่ทำไปมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆที่เราเป็นชาวนาเวลาปลูกข้าวปนเผินนาต้นข้าวมันฝังในดินมันก็ไม่อยู่แค่มันฝังมันพัฒนาไปออกต้นล้อมต้นขาวสวยงามเปิดดอกอกรวงไปเรื่อย การงานเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราทําแล้วห่อะจะได้อะไรจะขาดทุนจะได้กำไรไม่ใช่งานมาไปแล้วก็ดูมันมีความสุขแบบหนังสุขเพราะการงานชอบโดยจากฝีมือของเราอันนี้เราสุขเพราะการงานชอบไม่ใช่สุขเพราะความขี้เกียจไม่เคยมีในพระตไตรปิฎกแม้แต่ความสุขของคารวะแต่สุขเพราะการทํางานงานชอบด้วยความสมมาอาชีพ สุขเพราะว่นแม่เลือนเป็นคนมีศีลเรียกว่าหัวกอบเมียกรรมหัวถอดเมียพายโบราณท่านว่าไม่จช่แรงข้ามมาคาขามหนีแต่เป็นเรืงข้ามมาคาคามนีไม่ใช่ความสุขเป็นความเดือดร้อนมั้นก็เกิดขึ้นกับเราเองเราก็ใช้ชีวิตให้มันถูกต้องซะคิดวิตถีเป็นคู่ชีวิตถีเป็นครอบครัว นก็ดีจะได้ช่วยกันดีกว่าคนเดียวคนเดียวขวนหายสองคนเพื่อนร่วมต่อสามคนกลับบ้านได้คนเดียวขวนหายายังไงจะเล่าให้ฟังฟังไหมเกิดกับหลงตาเอง น, นะอยู่คนเดียวเวลานั้นก็อาดาน อ, าาน อ, อน่างองหน้าผาหักตกลงไปใต้ถุน สี่คงไปพากับท้นเสาก็ดุกสี่คงโดบแางไปโรงพยาบาลกําบมากระจังเจ็บก็ตอนนั่นก็พาอยู่สองวัด ต, ตอนที่ตกนั้นก็อยู่ภูเขาทองก็เลยเดินทางไปสุขโตไปดูแลที่นั่นฝนตกกัางคืนปัํมปั๊มปัมปัม๊มีไก่นั้นออกลูกอยู่ โผล่าแต่มันล้องอ๋ก็ค่ายๆมันขอความช่วยเหลือฟังโดก็อ๋อหลวงพ่อมาช่วยหนูด้วยเช่วยหนูด้วยแล้วก็มันโกรธไม่ได้ค่ายบัง ข, ขอความช่วยเหลือเราเราก็เอาฉายสองลงไปเห็นงูพันแม่ไก่อยู่ในหลังแล้วก็จกลูกไก่กินเป็นอาหารแล้วก็ปไปไล่มันมันไม่ยอมออกมันเด็กคอมาใส่เราด้วย แล้วเราจายไปไปตัดไม้ไผ่ทั้งท่านที่เจ็บปวดไปค่อยไปให้ผ่ามาปาดสลามระวังแขือ น, น่ยมันไม่ออกทสมัยแล้วจะไปจับมันก็ไม่ได้เพราะมันจะกัดเราทาไม้ผ่ามาสอดเข้าคอนูเน่ยมันดูคอนมหาเราเราก็จับไปแล้วก็คีบค อ, องูก็ทิดเอาไปแล้วตกไปนูน่นข้างแม่ไก่ทั้งงูตกไปด้วยกัน แลก็สายไปง ก, ก็ง้วยเือแน่าก็บินไปทางเกินเพ่งลังไปเลยเขืนนั่นแล้วเราก็มาสลามานอนสลาไก่เข้าให้สงนักประมาณแปดสิบเซนก็เดินมาถึงสังกสีที่น้ามันเลาะย่อยลงมาผลตกความฝ่มย่อยลงมาก็เปียกมันก็ลืล่น ลื่นแล้วก็ล้มลงก็ทับตรงกระดูกมันละเกาว่าลุกไม่ขึ้นนอนอยู่คนเดียวฝนก็ย่อลงมาใส่สนุกไหม <c oughs> ลุกก็ลุกไมได้ฝนก็ย่อลงมานอนเปียกอ่กับตรงใบขาย่อลงมาก็มีเพื่อนมีพระามาช่วยล้งข้อด้วยลุกมาได้แล้วก็ไม่มีใครก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นน้ำ น, นอนแบบไม่ทุกนะ นอนสนุกไปค่อยๆเกาะเสาค่อยๆเกาะไปมาลูกค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาได้อันนี้คนเดียวเป็นเช่นนั้นก็ไม่ดีเท่ากับมีเพื่อนมีหมู่ถ้าคนเดียวก็ขวนหายแบบนั้นต้องช่วยเองไม่ได้บางโอกาสสองคนกับเพื่อนล้มตายเพื่อนนอนตายแค่ไหนเมื่อคนหนังเดินทางมาโดยการไปค่าไปขายเป็นค่าอย่างหนักอยู่กลางดงกลางป่า เราจะทำไงถ้าเรานี้จะเพื่อนเพื่อก็จะตายเราต้องอยู่ด้วยกันต้องเป็นเพื่อนร่วมตายกันเฉยถ้าสามคนก็กลับบ้านได้ยังไงคนหนึ่งไปตามหาหมอหารถมาสองคนหนึ่งก็เฝ้าดูแลกันพยาบาลกันอยู่กอเป่าเลือดขัดเกือดดูแลอะไรตา่างพอดูแลได้แล่วก็กลับบ้านได้เหมือนเราพาหลวงพ่อกรงไปหาหมอหลวงพ่อก็ไปหาหมอ พันธุที่จุฬาก็ไปก็หมก็ตรวจว่าก็หให้ใหลวงพ่อกรมนอนอยู่สักสองเขินสามเขินเขาจะดูกระดูกให้แล้วก็ไงว่าแล้วหลวงพ่อกรมก็ไม่รู้จักใครพวกเราก็ช่วยกันอันนี้ก็ดีกว่าไปคนเดียวหลวงพ่อกรมไม่มีอะไรให้เอาอะไรไปจะทำองารข้างคาเื้อ ยาสีฟันคนหมูหาซื้อยาสีวันสื้อแปรงสีวันมาให้ก็หลวงก็อขงก็เอาผ้าสังขาติไปด้วยก็กลัวเป็นดับบดต่อจากแต่จีวันก็บอกให้เราเอาผ้าสังขาไปให้วัเราก็มาแทนนลวงพ่อผมก็แน้สามคนกลับบ้านได้คนเดียวก็ไม่ดีเราอยู่กันเป็นครอบเนคัวเป็นถัวเป็นเมียดีแล้วผู้หญิงเป็นเขียนซ้ายผู้ชายเป็นเขียนัว ผู้หญิงเป็นช่างเท่าหลังผู้ชายเป็นช่างชาวหน้าสร้าอาสมุนกันไว้สองแรงสามแรงผู้หนึ่งประมาทผู้หนึ่งไม่ประมาทมันก็ดีไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแล้วก็ดีได้คู่กันดีพระเจ้าไม่ใช่เรียกว่าสามีปัญญาเขาเรียกว่ากันลยาณมิตรเพิ่มจากสามีปัญญาไปเป็นถึงกันลยาณมิตรพาไปสวรรค์นี่ผ่านได้จากนี้ ไม่ใช่เป็นปัญหาเป็นเรื่องดีจะได้ช่วยกันเปนหูเป็นตาเป็นขาเป็นแขนเป็นปากเป็นเสียงช่วยกันเป็นสติปัญญาช่วยกันไปแล้วก็ดีแต่เราอยู่คนเดียวน่ะเช่นนักบวชถ้าไม่มีศีลก็ไม่ดีเหมือนกันเราจะประมาทได้ถ้าอยู่กับหมู่ก็ไม่ประมาทอายหมู่อายเพื่อนเขาเขาเดินจงกมเราจะนอนอยู่ได้อย่างไรเขาทําสมาธิเราจะนอนอยู่ได้เขาดูเพื่อนลมเมิดบ้ามันก็ดี ถกาจะช่วยกันทําความดีส่า ก, าก่าเมื่อก่อนอยู่กับหลงปูเทียนเนี่ยไม่มีนาฬิกายัางไงก่อนนน่นสี่สิบปีนน่นว่านาฬิกาไม่เคยมีสักทีหรอกเพื่อฟังเสียงรองเท้าของเพื่อนเดินแท๊บแทตอนเช้าเราไม่มีนาฬิกาบางดีก็มองใบไม้ที่มันเลี่ยมเยยับเยับฟาดีก็ฟังเสียงน้ำคลั่งมันย้อยลงมา ตกใส่ใบต้อง พ, อพกพแป๊กพกแป๊กเออดีสามดีสี่แล้วบางที่สิ่งแวดล้อมก็ทำให้เราได้ฝึกตนก็มีเหมือนกันเพื่อนบางคนสิ่งแวดล้อมวางอย่างเอามาฝึกตัวเราไม่ใช่เอามาเป็นเครื่องอทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเขาเดินยกรรมถือว่าเขาโมลบกวนเราเราจะนอนนะมาเดินอย่างนี่ทำไมมาคิดอย่างนั้นดีเราจะได้เอาอย่างเขาว่าง แม่พระพุทธเจ้าอเอาบอกพระสองเอาอย่างเช้งเอาอย่างกวางบ้างตากวงม อ, อกหาจินมันก็มีสติดีเดินไปก็หนังก็มองไปหยุดเดินไปก็มองไปหสวงตาเคยเห็นขวงลักษณะของขวงเมื่อดูแล้วเปรียบเทียบพุทธเจ้าที่เคยแสดงไว้ในพระสูตรมาดูแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆสสมัยยยยยปออนนนนรรรทีี่่่ิวว์กจงเหะน ไปพิคิดความหนาวมันจะหนาวขนาดไหนมีมะหลงตอนเช้าทีสี่ตีห้าเนี่ยขาวานไปทั้งป่าตอนไม้มีสีเขียวขาวไปหมดเลยแล้วก็ไปพิคิดความหนาวดูพลังไม่เจ๋งขนาดไหนเราต้องพิสูจน์ลองดูเราจะเจ๋งเหมือนพลังไหมก็ลองไปนั่งอยู่โต๊ะข้างศะยังไม่สว่างพวงไม้ก่อนเดินมาแร่ก็นั่งอยู่นิ่ง มันก็เดินยกมาเก้าหน่งก็มองเราพันก็มองขึ้นไปหาลูกมันแล้วก็ยกไปเก้าหน่งขะมองเราอีกมันก็มองขาลูกมันพอมองหาลูกมันลูกมันก็หยุดแล้วเดินมาหาเรามาดมจมูกเราเราก็เอาปากปูจมูกมันแล้วก็ถอยกลับพอถอยกลับมันก็ไปบอกกวางไปไปออกไปทางอื่นแล้วก็ถอยกลับเดินไปทางอื่นนี่มันไม่ไม่ลูกหนีลูกดนคอยสายมาสายมา เขาก็เดินกลับมามาให้ลูกกินนมอยู่ข้างหลังเราข้างสะลงไปตั้งน้ําเจิญให้ลูกกินนมพอลูกกินนมเสร็จลูกมันก็นอนลงมานอนลงที่ตรงนั่นเลยแล้วก็เดินหนีไปแม่มันเดินหนีไปอ้าวมาอะไรเนี่ยมาเอาลูกมาฝากเราเรื่งน่ะแล้วก็โอ้ถ้ามันเอาลูกมาฝากเราเราก็ต้องดูแลให้มันสักหน่อยตอนนั้นพอถึงเวลาฉันเช่าขมาฉัน หลังเสร็จเราก็รีบลงไปนั่งเป็นเพื่อนขวาน้อยแล้วก็นอนอยู่ไม่กระดุกกระดิกบางทีก็ยืนขึ้นยืดเส้นยืดเด็นแล้วก็นอนลงไม่ก้าสักก้าวเดินเฉยๆแล้วก็เห็นหมาป่าอยู่ด้วยบางทีก็อาจจะหมาป่ามาเห็นเข้าอ า, า ก, กาศความน้อยตาแล้วก็เลยเป็นเพื่อนขวงอยู่ตรงนั้นทั้งวันเย็นเย็นมาเอ๊ะแม่มันยังไม่มาทำไงได้ พอเยินเข้าเย็นๆแรก็มาวิ่งเบิ้มเบมเ บ, บิ้มมามาดูเราเราก็นั่งโต น, นั้นแล้วก็เย็นในลูกกินนมแล้วก็ไปอันนี้เลยว่ามันธรรมชาติของเขาเขาผู้เจ้าจึงตัดประสูจุไว้เอาอย่างกวา่างเขเห็นแล้วก็โอ้ชื่นใจเขามีสติกว่าคนเราคนเราบางคนลูกดี้นลุนลน่ะผลพันธ์ผลเล่นล้มลูกคาผลผลผลลลกานเลยก็มาเพราะเราจึงไม่ผลผันธ์ผลเล่มีสติแล้วไปกลัวไปเห็นเสือเนี่ย ไปเจอเสือด้วยกันสองคนคนหนึ่งกลัวเสือสุดชีวิตเลยคนหนึ่งไม่กลัวแต่ว่าวิ่งเหมือนกันคนที่วิ่งด้วยความกลัวกับคนที่วิ่งด้วยความไม่กลัวใครจะปลอดใครกันคนวิ่งด้วยความไม่กลัวต้องปลอดไปกว่าคนวิ่งด้วยความกลัวต้องลุลุบคุกคามได้ เพราะเราจึงผมใจให้มันเยีบคลายทำสิในก็าำเห็นคนเจ็บคนปวดเห็นอะลยปัญหาเกิดขึ้นให้ทัวเราก็ในหมู่มิตรเพื่อนผองญาติพี่น้องคนอื่ต้องมั่นใจให้มันมัน่นคงดูดีๆเลื่อนบทเรือนได้คําตอบเอาไปหาพิสูจน์ข้อมูลที่มันเกิดอะไรขึ้นเราก็ได้หลักลการทำใจเ ย, ยีบกลายการทำใจไม่ลุกดิลุกๆิไม่ผลฝันบรรลัยมันดี เราจึงต้องฝึกคนโถอสมควรไม่ใช่รู้อยู่คนเดียวโลกนี้อยู่กับกายเราอยู่กับใจเรายาวกายมาเป็ น, นปัญหาอยาาใจมาเป็นปัญหายาวคนอื่นมาเป็นปัญหายาาคนอื่นมาเป็นปัญหามาเป็นความรักความชังมาเป็นความพอใจไม่พอใจจะให้ไม่ไปถึงนอนเป็นสักแต่ว่าธรรมชาติใช้จื่ด้วยความสันเดียวกสันเดียภาพด้วยความรอบรื่น ความคิดของเราเนี่ยถ้าศึกษาชีวิตจริงๆแล้วไม่มีหดอกกันความทุกข์ความพิจิกางวันชอบบอกมันรอบลื่นเดินเลยก็จอมเนาะมันเดินจริงมันก็จริงแบบนั้นเห็นไม่จริงก็ไม่จริงแบบนั้นมันจริงแบบมันจริงมันไม่จริงก็แปลนแบบไม่จริงให้แต่กายของเรามัข้อมังกันเวลามันร้อนมันก็จริงแบบมันมันร้อนมันปวดมันเมื่อยเขาจริงแบบนั้นอย่าเอาการชน้ะมาเป็นทุกข์ พอมาเป็นความรู้ไปเลยแม้มันเจ็บมันปวดมันเจ็บเป็นไข้ก็อยากมาเป็นทุกข์เขตของจริงที่มันเกิดกับกายมันเป็นเช่นนั่นเองแม้มันมีอะไรกิดขึ้นก็กายที่มันสะดวกสบายโอ้ก็เป็นเช่นนั่นเองไม่ได้มีอะไรที่มันผูกเป็นแพรบบนเรียนได้จากกายจากใจเป็นบทเรียนที่ไปสู่มากกว่าน้นอานโดยเฉพาะจิตใจเนี่ย มีใจเดียวพอเพียงแล้วไม่ต้องมีวัตถุอิงของอันอื่นที่จะให้เราถึงมากถึงคนอยู่ในใจตัวนี้อยู่ที่จิตตรวนี้ก็ฝึกลงไปอย่าปล่อยปปแล้วเลยจิตใจของเรามันก็มีให้เราฝึกอยู่ อ, อกทุกเวลาใจของเราเนี่ยมันสอนให้เรารู้มันมันฉายใหเรารู้มันรู้ใจทุกวิถีทางอาการอะไรเกิดขึ้นกับจิตกับใจรู้ดรู้ครบรู้ทัวน ปิดปังพังมาได้เลยเราจึงรู้รอบรอบรู้รู้จนหมดเหมือนเราเห็นเขาเล่นคนที่แรกเราไม่รู้เขาเขาแสดงคนให้เราดูแล้วก็โอ้อา จ, จัดจ์านพอเรารู้จากเคล็ลัของเขาละมันก็ไม่มีค่าแลยแม้แต่รูดังดูละครม่แสดงให้เราดูไม่ใช่ของเก่งถ้าคนไม่รู้กสมมติบรรยากา่วมไปกับเขามีความสุขไปกับเขาเขาแสดงบทหัวเราะหัวเราะไปกับเขา เขาแสดงโกรธเศร้าโศกร้องไห้เขาร้องไห้ไปกับเขาโกรธทํำไมโกรธล้วก็โกรธโกรธทำอะไรรักเราก็รักไปกับเขาไม่ใช่ไปดูเป็นการไปแสดงกับเขาไม่ใช่ดูชีวิตของเราก็เหมือนกันเราเป็นนักแสดงไปทุกฉากเกินไหวมันก็ไม่ได้มวาสุขก็แสดงไปกัความสุขควาทุกข์ก็แสดงไปกับความทุกข์ควารักคัาชังก็แสดงไปกับความรักความชังควาเศร้าโศกเสียใจก็แสดงไปกับความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ไม่ใช่ดูน่ะ แล้วก็เป็นละครนั่นนังในชื้อเราจึงไม่หนีจากวงตัวนีน้ถ้าเราดูมันก็ได้ความมันจบเท่านั้นแหละไม่มีค่าอะไรความโกรธไม่มีค่าความทุกความร้ายไม่มีค่าอะไรนี่แต่ปัญญาเนี่ยอ๋อเราจึงมาศึกษากันเถอะวันอยู่ตรงนี้จริงๆริงไม่ใ่อยู่ที่ไหนแล้วก็มีสถานที่แบบนี้เพื่อการนี้เราก็มีพระนั่งอยู่นี่ญาติโยมวันั่งอยู่โ น, น้นเพเพื่อการอันนี้แหละ อาพูดว่าจ่าป่าใสแส่งกันฟังแลวกันว่าได้ยินเอาไว้ได้ฟังเอาไว้บางทีก็ทำได้บ้างทำมาแต่บ้างไม่เป็นไรแต่ได้ยินเอาไว้ก็ยังดี